เรื่องของเท้าสักขาก็เหมือนกันที่ทันแก้ปัญหาได้โดยเมตตาจิตอย่างดีก็เลยกระนึกออกได้ไม่โยมเทวดาก็ปูมีบุญญาติการมีเป็นยกรรมอย่างยิ่งไม่มีอะไรขาดในชีวิตเหมือนพวกเราไม่ต้องทางานไม่ต้องไปเรียนหนังสือไม่ต้องไปซื้อของต่างๆคนที่ดำรงชีวิตโดยบุญญาธิการขนาดนั้น ดำรงชีวิตด้วยบุญบ ญ, ญาธิการไม่ใช่ว่าโดยการปรารพความเพียงนะโยมพวกเราดำรงชีวิตไม่ใช่ว่าจากบุญอย่างเดียวอะพวกเราต้องมีการปรารพบความเพียงเพื่อสแสวงหนาะบิณฑการรมต่างๆแต่เทวดาไม่ต้องทำแบบนั้นนะโดยที่มีบุญญาธิการขนาดนั้นนะแต่ยังอาศัยอะไรโ ย, ยมยังอาศัยเมตตาจิต เพื่อรักษาจิตใจไม่ใช่ว่ามันพูเราเจอรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาป้าีไม่นา่าพอใจทุกวานทุกวันมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยหมักจะเจอสิ่งที่น่าพอใจมากกว่าแต่ยังให้ความสำคัญครับการเจริญเมตตายังให้ความสำคัญกับดำรงชีวิต ประกอบด้วยมิตาเพราะท่านได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าและก็ได้เจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้าดังนั้นชีวิตของท่านนี่แหละพรหมวิหารสีประการตั้งอยู่ไว้เรียบร้อยดำาริชีวิตประกบด้วยพรหมวิหารสีประการเมื่อเมื่อยากตนนั้นหายตัวไป เท่าสักกาก็มันแบบเรียกบรรดาเทพอยู่ในชันดาบเดิมและก็ท่านก็กล่าวคาถาสมงบทท่านก็บอกว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่ถูกโทสาบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบงุดงิดเกิดปฏิฆาเกิดโถสาบ่อยๆนี่คือชีวิตของท่านนะ ทำให้เราความโกรธเกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆนี่ท่านท่านพูดเองระยะเวลายาวนานเราจัดการความโกรธใดแล้วไม่ให้มากรบนางจิตดังนั้นความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราก็จะก็ เ, เป็นความโกรธ ไม่ฟังอยู่ในใจเราไม่ได้แบบค้างอยู่ในจิตใจเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บหายต่างที่นี่คือลักษณะของใครโยมเวลาลูพาโทซาเกิดขึ้นหายไปอย่างรวดเร็วนี่ก็ลักษณะของใครนี่คือลักษณะของภูมิการสำรวจมินซีลูพาโทซาไม่ให้มาครบงามจิตไม่ใช่ว่าไม่เกิดขึ้น เกิดขึ้นแต่ไม่ได้ขังอยู่ไม่ได้ฝังอยู่ไม่ให้กรบงานจิแตแาจารยก็นึกถึงว่า น, นี่แหละมนุษย์เราอะสิ่งที่ทำไม่ได้เท่าสักเทวะธาตโอ้แบบมีชีวิตที่สัมรวมขนาดนั้นแล้วก็ทัานบอกว่าถึงแม้จะเราโกรธแต่เราไม่เข้าวคำยา บางครั้งก็โกรธแต่โกรธเสร็จปุ๊บรู้ตัวว่าโกรธแล้วไม่ได้ใช้คำพูดที่ไม่ดีคำหยาบกายแสดงว่ามีสติมัโยมเวลาความโกรธเกิดขึ้นหรือว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วนี่แหละจิตตานุปัสสนาอย่าลืมนะโยมตาสักขเป็นผู้เจริญสติปัฏฐานสีประการโกรธเสร็จปุ๊บรู้ว่า โกรธแล้วเกิดกันไม่ได้ภายถึงคำพูดหรือการกระทำจัดการตั้งแต่ความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจเพราะฉะนั้นก็ความโกรธที่เกิดขึ้นไม่แสดงออกเวลาพูดก็เราพูดแต่คาที่แบบธรรมะหรือน่าฟังอย่างเดียวแต่เวลาความโกรธเกิดขึ้นถึงแม้จะเราไม่ได้มีกล่าวคำหยาบ แต่เราก็ตำนี้ที่เตียนความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจเรานี่คือลักษณะของสาวกแท้